ภิกษุผู้ควรแก่อับพานศึกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อับพานศึกเสียการอับพานภิกษุนั้นผู้ศึกแล้วใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้น